เขาใช้ว่าบุรุษอาชาในแต่คุณเคยจะยินมาสตรีอาชาในเคยจะยินไหมเออไม่ค่อยเคยได้ยินเลยนะส่วนใหญ่ไดยินแต่บุรุษอาชาในแต่ให้เข้าใจเหระคําว่าอาชาในเนี่ยถ้ามาใช้กับคนก็ตามจริงจริงไม่เกี่ยงหรอกผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเจอแต่ผู้ชายนะยังไม่เจอคํานี้ไปใช้กับผู้หญิงแต่พูดเนื้อหาสาระของมันให้ฟังว่าถ้าเอาไปใช้กับใคร อ่าสมมติเกิดไปบอกว่าเอาใครดีเอาเอ า, เอายมนาดินอย่างเงี้ยนะโยมนาดินอาชาไนอย่างเงี้ยก็ต้องให้รู้ว่าหมายความว่าโอ้โหนะเป็นโยมนาดินนี่ยอดเยี่ยมนะเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่ดีแล้วมแล้วมันมันจะต้องมีคุณสมบัติอยู่นะอาชาไนดีคุณอย่านึกว่าอยู่ดีดีก็เรียกอาชาไนนะจะมีคุณสมบัติ ว่าคุณสับัตแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วถึงจะเรียกว่าอาชาในะจะต้องมีอยู่แต่นี้นี่พูดโดยเขาคร่าวให้ฟังอ่ตอนนี้โคตัวนี้ก็เป็นโคอาชาในที่มีความสงบสํารวมเป็นเลิศนั่นสํารวมกว่าคนบางคน <c oughs> นะเพราะ <c oughs> มีความสงบสํารวมเป็นเลิศคือเป็นยังไงแม้พวกเด็กๆชาวบ้าน จะมาแย่เล่นจับเขาบ้างจับหูบ้างโหนคอบ้างดึงหางบ้างขี่เล่นบนหลังบ้างก็ไม่ได้มีความโกรธเคืองแต่ประการใดนี่นี่ใช่ไหเราเริ่มจะเห็นคุณสมบัติของโคอาชาไนแล้วว่าอย่า ง, งน้อยน้อยนี่ไปไงอ่าใจเย็นอ่าไม่โกรธอะไรใครง่ายง่ายไม่ไปถือสาอะไรใครง่ายๆเด็กมาแกล้งมายั่วมาแย่มาอะไร บางคนอยาว่าแต่เด็กเลยแค่ยุงมายั่วมาแหย่หน่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวตบให้ <laughs> ใช่ไหมอย่างของเรานี่ก็ไม่เบานะเนี่ยบางทีเด็กๆมามาเล่นน้ําเสียงดังบ้างมันโ อ, อ้อะไรบ้างเนี่ยถ้าใครอดทนไม่ดีพอก็อมไม่ชอบใจนะอิดอัดขัดเครืองหรือว่าอะไรก็ได้เนะพราะฉะนัออ้นนั่นแหละ คือจริงเด็กมันอาจจะทำไม่ดีหรือทำไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ควรไปโกรธหรอกแต่เอา้าบอกได้สอนได้ก็บอกไปสอนไปหรือบางทีห้ามได้ก็ห้ามไปนั่นแหละแต่ตัวเราเองเราน่าจะสำรวมอยู่ได้คำว่าสำรวมก็คือระมัดระวังจิตระมัดระวังใจเราเนี่ยเอาไว้ได้ไม่ไปเกิดโทสะไม่ไปเกิด ไอ้ความอึดอัดขัดเคืองไม่ชอบใจอะไรต่างๆนะอันนี้อันนี้ปรากฏว่านี่นเป็นคุณ ล, ลักษณะอย่างหนึ่งละของโคอาชาไนที่เรียกว่ายอดเยี่ยมจนกระทั่งเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าประเภทอาชาไนทั้งหลายเนี่ยหมายถึงว่าสัตว์สัตว์ที่เป็นมา้าเป็นช้างเป็นบัวเป็นควายอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปลงท่าอาบน้ําที่ไหนลักษณะหนึ่งของ อาชาในนี่คือไม่ขี่ในน้ำไม่เยี่ยวในน้ำลักษณะอย่างหนึ่งไม่ขี่ในน้ำไม่เยี่ยวในน้ำสัตว์อื่ น, นหรือว่าอะไรอื่นทั่วๆไปไม่ต้องเอาสัตว์อื่นนะเอาคนเราเนี่ยแหละใครเนี่ยที่เคยเล่นน้ำว่ายน้ามาเอาเอาง่ายๆขี่มันอาจจะมากเกินไปนะเอาแค่ฉี่ <laughs> มีใครบางที่เล่นน้ำมาเนี่ยไม่เคยฉี่ในน้าเลยไม่แต่ครั้งเดียว มีไหมมีัห ย, ยใครที่เล่นน้ำมาเนี่ยหายากเหมือนกันใช่ไหมออแต่อันนี้มันจะเป็นลักษณะเลยนะใครที่จะเป็นอาชาัยมาได้เนี่ยจะเด็กจะเล็กจะอะไรแต่ะอะไรมายังไงเนี่ยจะไม่ทำอย่างนั้นมันเหมือนกับมีบารมีเดิมมีบารมีเก่าที่ทำให้ไม่ทำอย่างนั้นอย่าสะสมอ่ะอย่างอาตมานเนี่ยก็เคยเล่นน้ำไม่น้ำบคลองอะไร ก็ฉี่เหมือนกั น, นปวดๆมากๆกันเย็นมากๆกเขากเอ้าแล้วใครจะไปรู้ใช่ไหมไม่มีใครรู้ได้โดยเรา <laughs> ฉี่แล้วก็ฉี่ไปเลยอ๋อฉี่เสร็จแล้วขอโทษน้ำเหรอ <laughs> โอ้สุภาพดีมากเลย <laughs> เออนันอันนี้พูดให้ฟังบะเนี่ยเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งหรือแม้แต่บางทีเนี่ยมันจะมีกลิ่นตัวหรือว่ากลิ่นกายในลักษณะของพวกอาชาในพวกนี้นะ กลิ่นตัวกลิ่นกายหรือว่าขี้หรือว่าเยี้ยวของของบริเวณที่พวกโคอาชาในาหรือว่าช้างอาชาในอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยนะสัตว์อื่นที่เป็นประเภทเดียวกันเนี่ยจะไม่กล้าไปเลยจะไม่กล้าไปในที่นั้นเนี่ยมันเป็นบา ร, รมีมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันเหมือนกับกลัวมันเหมือนกับเกรงมันเหมือนกับอะไรเลยคือเนี่ยมันจะมีบา ร, รมีของตัวเองเนี่ยอยู่ เพราะนั้นสัตว์อื่นจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งในบริเวณนั้นจะไม่ยอมไปเลยพอได้กลินนะ่นเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับสัตว์อื่นได้กลิ่นพวกพวกเสือพวกอะไรพวกเนี้ยนะโอ้โหไม่ได้กลิน่นปั๊บมันไม่เอาเลยมันจะหนีเลยไม่กล้าที่จะไปรบกวนไม่กล้าที่จะไปผ่านไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นใครจำชาดกได้เรื่องหนึ่งแม่เคยเอามาเล่าให้ฟังอ่ะที่ชที่ม้าอาชาในเนี่ย ไปอาบน้ำที่ท่าน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าม้าอาชายนานตัวนี้ไปอาบน้ำที่ท่าน้านี้แล้วม้าตัวอื่นเนี่ยพอคนอื่นก็จะไล่ให้มันมาลงอาบที่ท่านี้ไม่มีตัวไหนกล้าลงอาบที่ท่านี้จนในที่สุดก็เลยต้องไปให้อาบที่ท่าอื่นไม่กล้าลงอาจจะอาจจะเคารพอาจจะซาธาหรืออาจจะเกรงกลัวอะไรก็แล้วแต่นะแต่เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของ ของพวกอาชาในทั้งหลายไม่ใช่เลยคราวนี้แหมถ้าใครไปบุรุษอาชานัยคงจะมีกลิ่นที่ใครไม่กล้าเข้าใกล้ <c oughs> <c oughs> เออย่างงั้นมันัก จ, จะคิดไปไกลแล้วนะอืมแต่ถ้าจะคิดถึงเรื่องกลิ่นอย่างนั้นเราต้องคิดมายายทางกลิ่นของศีลกลิ่นของธรรมะเพรา ะ, ะสังเกตไหมคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้มีศีลคนนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้าเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังทําได้ไม่ค่อยดีเราไม่ค่อยมีศีลเปยังไงกูจะเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นกูจะกลัวใช่ไหมกูจะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้กูจะบางทีเนี่ยบางทีอยากจะฟังเทศฟังธรรมอะไรนะอยากจะฟังท่านพูดนะแต่เรารู้สึกว่าห่างๆไว้ดีกว่าปลอดภัยปลอดภัยตรงไหนเดี๋ยวเผื่อท่านถามขึ้นมาเดี๋ยวเผื่อท่านเรียกกลุยขึ้นมาแล้ว แม้เรายังไม่อยากจะรีบล้างกิเลสแล้วมันเกิดท่านถามขึ้นมาเอา้เอาเป็นไงไอ้นันยังติดอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยลดได้ไหมละได้ไหมเป็นไงครนี้โอ้โหก็มันก็เคารพศรัตน์นะจริงๆยังไม่อยากจะตั้งตาบะเลยจํานวนโดนถามเออก็เลยเลยต้องตั้งเลยโอ้โหต้องมาสู้ต้องมาฝึกฝืนใจตัวเองนั่นแหละมาเองไม่น้อ นี่ที่พูดมาเนี่ยตัวเองก็เคยเป็นเมือนอาตมาเองเคยนั่นหละอย่างพ่อท่านเนี่ยโอ้โหขณะอาตมาเคยเห็นมาตั้งแต่พ่อท่านยังไม่บวชเนี่ยามาเคยเห็นมานะก็นับว่ายัางไงก็ยังพออะไรอะ่ะพอคุ้นคุ้นอยู่บ้างอะ่ะแล้วพ่อท่านก็คิดอาตมาก็เหมือนอะไรอะ่ะน้องของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังค่อนข้างเป็นเงินเองได้พอสมควรนะ แต่ถ้ามารู้ตัวเองเลยว่ากลัว <c oughs> กลัวไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้พ่อท่านนะี่ยตอนตอนเป็นอคาวาสพ่อท่านเป็นฆราวาสเออไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าก็ฆราวาสเหมือนกันก็ไม่นึกอะไรแต่พอพ่อท่านบวชเนี่ยยิ่งโอ้โหไม่กล้าเลยยิ่งไม่กล้าหนัดเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่า โอ้โหท่านก็ยิ่งสูงท่านก็ยิ่งมีศีลมีอะไรยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือเราคิดเอาเองอะ่ะเสร็จแล้วพอเวลาท่านบางทีเนี่ยท่านมาท่านไปทำงานกับโยมที่บ้านน่นะท่านไปพักค้างแต่ก่อนนี้โอ้ยพวกอาโศกเนี่ยทั้งพระทั้งศิษขมามทั้งอะไรอะ่ะไปพักค้างที่โรงพิมพ์ที่โยมที่บ้านโอ้ไปพักค้างทีนานนะเป็นสิ ยีสิบวันอะไรอย่างเงี้ยนจะเป็นนานเลยอะ่ะยาวเลยอะ่ะไปพักค้างที่นั่นเลยพูดง่ายทําหนังสือเสร็จเล่มนึงอ่ะเล่มหนึ่งอะ่งอะไปช่วยพับไปเข้าเล่มไปเย็บเล่มคุณคิดดูมันต้องใช้เวลาหลายวันใช่ไหมอย่า ง, งน้อยๆถือก็เป็นอาทิตย์นะเอาะฉนนั้นท่านก็ไปค้างที่นั่นเลยค้างเสร็จเช้ามืดท่านก็ทําวัดอะ่ะเออ <laughs> ท่านก็ทําวัดนะแต่มาไม่ยอมมาทําแล้ว อันตมาก็นอนไม่ยอมมาทําเพราะตอนนั้นยังยังยังเด็กพอสมควรยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรมากนะักกลัวกลัวไม่ค่อยกล้าหรอกบางทีพ่อท่านทํางานอยู่เนี่ยที่ท่านคุยท่านอะไรต่ออะไรอยากฟังนะบางทีเนี่ยทําเป็นเราก็ทํางานของเราคือบางทีมันจะมีโต๊ะทํางานมีอะไรพวกเนี้ยพ่อท่านก็นั่งทํางานของพ่อท่านไอเราก็ทํางานของเราอะ่ะ ตอนนี้มันหนีไปไหนไม่ได้เราโต๊ะทํางานเราอยู่ยงนั้นเราก็ต้องทําำบางทีเนี่ยพ่อท่านกับคุยกับคนโน้นคุยกับคนนี้อ่าก็คุยเรื่องธรรมะนั่นแหละเราทําไปเนี่ยแล้วก็ฟังไหมนะชอบเหมือนกันนะ่ะฟังเออพ่อท่านตอบไงยิ่งมันมากเลยเวลาที่มีคนมาเถียงอะ่ะโอ้โหสนุกมีคนมาเถียงอะ่ะคือคือประเภทที่เขาไม่ยอมพ่อทาอ่านง่าย เันเขาก็จะใช้เหตุผลของเขาเนี่ยโอ้โหเถียงโตโตโตพอท่านก็จะอธิบายโอ้ย่างนั้นนะฟังแล้วมันรู้สึกโอ้โหฟังแง่คิดฟังไหวพริบฟังปฏิภานฟังเหตุผลต่างๆยิ่งอะไรรู้ไหมที่ที่เถียงแล้วเขาไม่ยอมง่ายๆนี่ยคือเมามาหน่อยๆประเภทเมามาเมาบึนๆมาหน่อยๆเนี่ยโอ้โหแล้วก็เถียง โอ้อย่างงั้นนาะยอย่าบอกรายเลยละ่ะกูเนยอคือไม่ใช่ถึงกับไม่มีสตินะเราก็มีสติอ่อแต่ว่ากินเหล้ามาไงตึงๆ อ, อ่ะพูดง่ายตึงๆอ่ะอ่แล้วก็มาเอาเหตุผลมาเถียงโอ้โหตึงๆหน่อยกกล้าพูดกล้าเถียงอ่าถ้าปกตินักอาจจะไม่กล้าเถียงด้วยเท่าไหร่ยิ่งอย่างงั้นนะโอ้โหชอบมากเลยฟังแล้วมันดี <c ười> อ่าอันนี้ผู้ดไปฟังถึ ง, ถ, งถึงเรื่องของอาชาในใยจะมีลักษณะพวกนี้อยู่ ซึ่งทำให้ประเภทอื่นๆเนี่ยจะเกรงกลัวหรือว่าอาจจะเคารพยำเกงต้องใช้คำนี้นะเคารพยำเกงอตอนนี้โคอาชาไนนะโคดำตัวนี้แม้จะโดนพวกเด็กๆเนี่ยแกล้งยังไงยังไงนี่ก็โอ้โหสงบสำรวมดีมากเลยไม่โกรธไม่แค้นไม่อะไรเลยตอนนี้อยู่มาวันหนึ่งโคดำไอยิกาการะกะ บังเกิดความคิดขึ้นมาว่าแม่ของเรายากจนอยู่แต่ก็เลี้ยงดูเราดุดเป็นลูกสุดที่รักแม่ต้องตรากตรำลําบากเพื่อเรามามากเช่นนี้เราน่าจะตอบแทนคุณช่วยทํางานรับจ้างหาทรัพมาให้แม่ของเราได้พ้นไปเสียจากความยากจนคือคือคือเกิดความรู้สึกอยากจะตอบแทนคุณนั่นเองแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ เรานี่ก็มีนีสมมุติโคนี่คิดนะบอกว่าเอ๊ะเรานี่ก็แข็งแรงแหมพ่อแม่ก็คือคือยกให้เป็นแม่ยกหญิงชลาดี่เป็นแม่บอกเออแม่นี่ก็โอ้โหเลี้ยงดูจนถึงขนาดนี้แล้วน่าจะให้แม่สบายบ้างเนี่ยก็เหมือนเหมือนคนเราธรรมดาทุกวันเนี่ยอย่างน้อยๆพอเรารู้สึกเราโตขึ้นมาพอสมควร เออเราน่าจะหางานทํามีรายได้มาเราจะได้เอารายได้นี่มาให้แม่โอ้มันเป็นความภูมิใจนะแหมมีเงินแล้วเอามาให้แม่เนี่ยรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเออเราได้ทดแทนบุญคุณแม่เขาบ้างแต่อย่ามาสําคัญผิดนะอย่ามาคิดว่าเงินเท่านั้นเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะอันนั้นดี่กําลังพูดแบบโดยทั่วๆไปว่าชอบจะคิดแต่ว่าเงินเนี่ยตอบแทนแต่ความจริงที่สูงกว่าเงินคืออะไร โอการอยู่ช่วยเหลือหรือการาให้พ่อแม่ได้มีศีลเพิ่มขึ้นได้มีสมาธิมากขึ้นอะไรตอบแทนยิ่งกว่าเงินอันนั้นน่ะนี่จะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจสัจธรรมอ น, นี้ด้วยเอาก็ปปากฏว่าพอคิดอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วต่อมาโอกาสก็มาถึงเมื่อลูกของพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งซึ่งคุมกองเกวียนอยู่500เล่ม นำขบวนเกวียนเดินทางผ่านมาซึ่งไม่ไกลบริเวณที่อยู่ของหญิงชรานักปรากฏว่าเกวียนต้องข้ามแอ่งโคลนลึกพอเกวียนเล่มแรกลงสู่แอ่งโคลนล้อเกวียนก็จมลึกทันทีไม่อาจขยับขยื่อนต่อไปได้เลยแม้จะเอาโคทั้งหลายจากเกวียนเล่มอื่นๆมาช่วยฉุดก็ไม่สามารถที่จะลากเกวียนนั้นขึ้นมาได้ น่าแสดงว่ามันมันเป็นหลุมมีน้ํามีโคลมีเลนเนี่ยนะแล้วก็ลึกพอสมควรพอเกวียนวิ่งลงไปแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้เลยขนาดว่าเอาวัวอื่นๆมาอีกทั้งหลายตัวเอามาช่วยกันฉุดยังไงก็ฉุดไม่ขึ้นพอดีกับโคดําไอยิกะไอยิกาการกะกับพวกโคของชาวบ้านแถวนั้นเที่ยวหากินอยู่บริเวณนั้นลูกพ่อคว้กเกวียน บังเอิญมองเห็นเข้าด้วยเพราะมีความรู้ในลักษณะของโคจึงดูออกว่าโคดำตัวนี้เป็นโคมงคลอาชาในมีพระกำลังมากสามารถจะลากเกวียนทั้งหมดข้ามแองโนลึกไปได้จึงได้ร้องถามคนเลี้ยงโคในบริเวณนั้นว่าใครหนอเป็นเจ้าของโคดำตัวนี้เราจะขอจ้างเอาโคดำตัวนี้เทียมเกวียน ให้ลากข้ามแองโคลนี้ไปก็เลยถามเลยว่าใครเป็นเจ้าของพวกคนเลี้ยงโคชี้ไปที่บ้านของหญิงชลาแล้วตอบว่ายายเจ้าของโคดำอยู่ที่บ้านหลังโน้นนางไม่ได้ยืนอยู่ที่ตรงนี้ท่านก็จงจับโคดำเทียมเกวียนเอาเองเถิดแมมยังไม่ทันให้ไปติดต่อกับเจ้าของก็เลยนะ <S <S แ, ตแต่แต่เขาคงรู้จักกันอยู่อะ ก็บอกว่าเอาเลยเทียมเกวียนไปเลยลูกลูกพ่อค้าเกวียนก็ไม่รอช้ารีบเอาเชือกผูกโคดำทันทีแล้วลากไปเทียมเกวียนแต่ชุดลากเท่าใดก็ไม่อาจทำให้โคดำเคลื่อนที่ไปได้เลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโคดำรอให้ลูกพ่อค้าเกวียนกำหนดค่าจ้างเสียก่อนนั่นเอง <c oughs> ดังนั้นจึงยืนนิ่งอยู่กับที่ คอยอยู่ตรงนั้นคือไม่ยอมลากฟรีตอนนี้ตอนนี้คิดว่ายังไงก็อยากมีรายได้นะจะเอาไปให้แม่เพราะนั้นไม่ยอมลากฟรีวันนี้งดหนึ่งวันเมื่อเห็นอาการเช่นนั้นของโคดำแล้วลูกพ่อคาเกวียนก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาดูลักษณะโคเขาอะไรต่างๆเขารู้ใช่ไหมว่าโอ้โคตัวนี้ฉลาดโคตัวนี้ พูดง่ายมีสติปัญญานะอาจจะฉลาดกว่าคนบางคนนะไอ้ลูกพ่อคา้าเกวียนนี่ก็เลยรู้ละ ก, ก็เลยจึงประกาศออกไปว่าโคดำผู้ประเสริฐหากท่านลากเกวียน500เล่มนี้ข้ามแองโกลได้แล้วเราจะเก็บทรัพ์เกวียนละสองกหาปณ ะ, ะให้เป็นค่าจ้างรวมแล้วท่านจะได้ 1,000 กหาปณะกนะหาปณ ะ, ะนี่คือ1กหาปณ ะ, ะเท่ากับ สี่บาทมนหลังจะแฟนพันแท้มั้นหนึ่งบหนึ่งกระหาบณ ะ, ะเท่ากับสี่บาทเพราะฉะนั้นถ้าถ้ารวมแล้วเนี่ยถ้ารวมแล้วได้พันกรหาบรณ ะ, ะคื อ, อก็สี่พันใช่ไหม ถ, ถ้าเทียบเงินเดี๋ยวนี้นะก็จะได้สี่พันบาทก็คือคือเกวียน ม, มีทั้งหมดกี่เล่มห้าร้อยเล่มจะเก็บเล่มละ สองสอคาถพนะนะฮนี้ประกาศเลยประกาศให้ชาวบ้านชาวช่องรู้เลยจบคำของลูกพ่อค้าเกวียนโคดำก็เดินไปให้เทียมเกวียนเองเลยทันทีออลูแล้วลูแล้วลูเออขาจ้างแล้วรีบเดินไปเองเลยคนนี้พอเทียมเกวียนเสร็จโคดำก็ออกกำลังฉุดลากเพียงทีเดียวเท่านั้น <c oughs> เกวียนก็หลุดจากแองโครนลึกขึ้นมาสู่อีกฝั่งหนึ่งได้ ลากทีเดียวท่านนะเกวียนเล่มนั้นก็นหลุดขึ้นมา <c oughs> หลุดขึ้นมาจากแองโคลเลยเอตอนแรกไปเอาโคทั้งหลายตัวใช่ไหมเอามาช่วยกันลากไม่ขึ้นตอนนี้โคดำตัวนี้ลากทีเดียวเองขึ้นเลยดังนั้นเกวียนทั้งหมดจึงถูกลากข้ามแองโกลสําเร็จนะเกวียนทั้งห้าร้อยเล่มเนี่ยแต่กว่าจะหมดห้ารอยเล่มเกวียนก็ทําเอา โคดำเหน็ดเหนื่อยจนตาทั้งสองข้างแดงกําเลยทีเดียวจริงมีพละง ก, กำลังมากนะแต่โอ้โหตั้ง500้เล่มเกวียนนะลากทีละเล่มลากทีละเล่มให้หลุดขึ้นไปได้นี่ก็ใช้กำลังมากเหลือเกินจนกระทั่งเรียกว่าอะไรอะ่ะตานี่แดงกําไปหมดเลยงานเสร็จสิ้นแล้วลูกพ่อค้าเกวียนจึงเที่ยวเดินเก็บ1กหาปณะนะต่อเกวียนหนึ่งเล่ม ได้ซับมาห้าร้อกหาปณะนะนำมาห่อด้วยผ้าแล้วผูกไว้ที่คอของโคดำจากนั้นก็เตรียมเดินทางต่อไปไปยังไงฮะเก็บเวียนละหกะหาปณะนะก็ได้มา500หมายความว่าไงอ่าหมายความว่าโกงนะนี่ลูกพ่อค้าเกวียนเสร็จแล้วก็มาผูกไว้ที่คอของโคดำ แต่โคดำ ล, ลูกพ่อค้านี่เตรียมเดินทางแล้วนะแต่โคดำไอยิกาการักะเห็นลูกพ่อค้าเกวียนกระทําเช่นนั้นแล้วก็คิดขึ้นว่ามนุษย์ผู้นี้ไม่ได้กระทําตามสัญญาไม่ได้ให้ค่าจ้างตามที่กําหนดไว้ฉะนั้นเราจะไม่ให้เขาไปเออเรียกร้องความยุติธรรมแล้วตอนนี้จึงก้าวไปยืนขวางอยู่ข้างหน้าเกวียนเล่มแรกสุดแม้คนทั้งหลาย จะพยายามผลักดันลากจูงอย่างไรโคดําก็ไม่ยอมหลีกทางให้จนในที่สุดลูกพ่อค้าเกวียนก็ยอมจำนนด้วยเข้าใจดีว่าเนี่ยคราวนี้ลูกพ่อค้าเกียนคิดแล้วโคดําตัวนี้คงรู้ว่าเราโกงค่าจ้างของมันเป็นแน่คือคือคือคงนึกว่าบัวเนี่ยมันไม่รู้จักสตังมันไม่รู้จักเงินทองมั้ง นะตอนแรกนกะ็เลยโกงบั ว, ว, วแต่ปรากฏว่าบัวตัวนี้ฉลาดรู้นะั้นนี่สลึงนี่้บตังนี่บาทหนึ่งนะเรู้ว่าเก็บมาได้เท่านี้เท่านี้นี่โกงวันคัานี้รู้แล้วว่าเออโกงโกงบัวตัวนี้ไม่ได้ดังนั้นจึงเที่ยวเก็บอีกหนึ่งกหาปันะจากเกวียนแต่ละเล่มได้อีก500กหาปันะนำมาผูกไว้ที่คอของโคดารวมแล้วจึงมี 1,000 กหาปะนะัะ แล้วบอกกับโคดาว่านี้เป็นค่าจ้างครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกับท่านไว้เป็นเช่นนี้โคดาจึงยอมหลีกทางให้นำเอาหอ่อทรัพย์มุ่งกลับไปยังบ้านของหญิงชราโดยมีพวกเด็กชาวบ้านเดินตามไปด้วยก็คือเด็กชาวบ้านแถวนั้นน่ะใช่ไหมเห็นโคดาแหมได้เงินอยู่ที่คอแล้วก็รีบกลับบ้านน่ เด็กก็เลยตามไปใหญ่เลยนะเดินตามไปแล้วก็จับดึงเล่นที่หอซับบ้างโคดําจึงไม่รอช้ารีบวิ่งหนีกลับบ้านอย่างรวดเร็วเออกลัวเดี๋ยเด็กๆจะเอาไปซะเดี๋ยวแม่จะไม่ได้นะรีบวิ่งกลับบ้านเลยเด็กๆ ก, ก็ยิ่งสนุกสนานวิ่งตามกันใหญ่ คือเด็กมันก็คงไม่ได้ยกิดจะไปเอาเลยนะแต่มันก็คงเหมือนกับแก้งเหมือนกับแย่เงีย้ยก็เลยกอ น, นี้ยิ่งโคตอนนี้วิ่งหนีก็เลยยิ่งวิ่งไล่กันใหญ่เลยพอไปถึงบ้านแล้วหญิงเชลาได้เห็นห่อรัพยบดึงพันกหาปณะเห็นอาการเหน็ดเหนื่อยจนตาแดงก่ําของโคดําเห็นเด็กๆวิ่งไล่ตามกันมาเป็นขบวนอดสงสัยไม่ได้ที่จะเอ่ย อ, ออกมาว่าเจ้าได้ทรัพย์มาจากที่ไหน แล้วทำไมจึงมีอาการเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้ถามใครถามโคนะแล้วโคจะตอบได้ไหมฮถ้าโคโพธิสัตว์บางทีเป็นไงบางทีพูดได้นะแต่สำหรับเรื่องนี้พูดไม่ได้โคดำไม่อาจตอบเป็นภาษามนุษย์ได้พวกเด็กๆทั้งหลายจึงช่วยกันตอบแทนให้ โดยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ยายรับรู้เมื่อหญิงชลาได้ฟังแล้วอดสงสารลูกของนางไม่ได้ทั้งยังทราบซึ้งในน้ำใจของลูกรักเป็นอย่างยิ่งจึงกล่าวว่าลูกรักแม่ต้องการเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยค่าจ้างที่ต้องให้เจ้าทำงานหนักหรือต้องให้เจ้าได้รับทุกเห็นปานนี้เชียวหรือคือพูดง่ายๆว่าแม่ไม่จะต้องการอย่างนั้นนะ คือไม่ต้องไม่ต้องมาหาทรัพย์ให้อ่ะนะโอ้โหเนี่ยจะต้องไปทุกจะต้องไปลําบากอย่างนี้ได้ทรัพย์มาเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูแม่เนี่ยบอกไม่ต้องแล้วก็จูงโคดําไปอาบน้ําอุ่นเอาน้ํามันทาทั่วร่างกายให้ดื่มและกินอาหารอย่างดีเอาใจใส่เลี้ยงดูโคดําให้อยู่สุขสบายไปจนตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องแล้วทรงแสดงถึงบุคคลให้ทราบว่า หญิงชราในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอุบลบรรณาเทรีในบัดนี้ส่วนโคดำอัยิกาการะกะได้มาเป็นเราตถาคตหญิงชรานั่นเป็นนางอุบลบรรณานั่นเองแล้วตรัสสรุปแก่ภิกษุในที่นั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในที่ใดมีการงานหนักมีแองโคลนลึกในที่นั้นคนทั้งหลายจะเทียมโคดำเข้า แล้วโคดําจะทํางานหนักนั้นให้สําเร็จลุล่วงได้โดยแท้ดุดเดียวกับตถาคตกระทางานหนักเกื้อกูลโลกไว้อย่างไม่มีใครเสมอเหมือนได้เลยเนี่ยพระเจ้าท่านก็นเล่าให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้ฟังว่าเนี่ยท่านทํางานหนักมานี้ไม่ใช่แค่ตอนนี้ แ, นแม้ในอดีตชาติเนี่ยท่านก็เคยทํางานหนักมาแล้ว แต่อันนั้นเพื่อตอบแทนคุณของของผู้ที่เลี้ยงดูม า, าเรื่องนี้จะให้เห็นถึงประเด็นสำคัญที่อาตมาอยากสรุปก็คือเรื่องของการทำงานหนักเราะจะให้เห็นเลยว่ากว่ า, วาจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องทำงานหนักมาเรื่อยเพราะนั้นศาสนาพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าเป็นไงถึงจะเรียกว่าเป็นศาสนาพุทธ เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้รรมวินัยใดที่เป็นไปเพื่อความเกียดคร้านารรมวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเพราะจะให้เห็นเลยว่าแต่ละชาติแต่ละชาติที่จะสั่งสมบารมีมาจนกว่าจะมาได้เป็นคนสำคัญเนี่ยต้องขยันทุกทุกชาตินะจะต้องขยันแขน็งแข็งจะต้องดินน้นรนจะต้องต่อสู้โดยเฉพาะเรื่องของกิเลส เรื่องของความโรบเรื่องของความโกรธเรื่องของความหลงต่างๆจะต้องขยันที่จะสู้เียมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกชาติทุกชาติทุกชาติจนกระทั่งกิเลมันก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนี้เป็นงานหนักหนักยิ่งกว่างานนอกอันนี้เราเรียกว่างานในเพราะนั้นงานหนักเขาบอกว่าอะไรนะให้สู้กับให้สู้กับบางทีสู้กับช้าง สู้กับเสือสู้กับสุนัขบางทีเนี่ยยังง่ายกว่าสมมติว่าถ้าเราชอบทุเรียนเนี่ยยังง่ายกว่าสู้กับทุเรียนเลยเออใช่ยังง่ายกว่าสู้กับทุเรียนเลยเพราะอะไรพอเจอทุเรียนแล้วเป็นไงแพ้เลยทันทีเลยแพ้เลยทันทีเลยโอ้โหแต่เจอสัตว์ไายอะไรอื่นเนี่ยบางทียังโอ้โหใช่ไหมเพื่อความอยู่รอดเป็นไง โอ้หพยายามดิน้นรนพยายามหาทางสู้เอาตัวรอยให้ได้แต่พอเจอทุเรียนนี่แพ้ทันทีนี่นยกตัวอย่างทุเรียนแต่บางคนอาจจะเกลียดทุเรียนก็ได้ใช่ไหมก็ต้องไปคิดว่าโอ้โหเราเนี่ยชอบอะไรอะ่ะติดอะไรนะหรือโกรธอะไรเกียดอะไรที่เป็นกิเลสเนี่ยเนี่ยเราก็จะแพ้อย่างนั้นอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักงานในของเราถ้างานในของเราเนี่ยเรารู้เลยว่าอะไร ที่ยิงเป็นสักยะเนี่ยตัวหนักเลยสักยะใหญ่ๆของเราอะนะคุณไปติดเรื่องอะไรหรือคุณไปเกลียดชังแค้นเคืองอะไรใครที่เป็นตัวเบ้งเบ่งตัวใหญ่ๆตัวหนักๆของคุณนั่นแหละเป็นงานหนักของคุณนะพยายามสู้ให้ได้พยายามเอาชนะให้ได้อย่าขี้เกียจส่วนใหญ่เนี่ยพอเจออะไรที่ที่เกลียดชังที่เราไม่ชอบเป็นไงส่วนใหญ่หนีไม่อยากเจอ อ่ะ อ, อย่างนี้ขี้เกียจสู้ใช่ไหมอย่างเงี้ขี้เกียจสู้แต่พอเจออะไรที่เรารักที่เราชอบเป็นไงนะเป็นไงคราเนี้วิ่งเข้าหาเลยวิ่งเข้าใส่เขาเนี้ไม่ยอมหลบไม่ยอมหนีแล้วใช่ไหมอ่ะคือไม่ยอมพลากจากไม่ยอมห่างเพราะว่า อ, อย่างเงี้อยอย่างนี้ก็คือไม่สู้เหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าจะสู้ก็คือถ้าสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราติดเป็นไง ก็ต้องหัดงดหัดเว้นหัดพลากมันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสู้เพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้นะพยายามงานหนักในโลกนี้ก็คืองานในของเราเนี่แหละที่ต้องพยายามมากๆจริงๆมันก็จะไปสัมพันธ์กับงานนอกนะเพราะนั้นงานในก็คือประโยชน์ตนงานนอกก็คือประโยชน์ท่านเวราะฉะนันทำให้มันดีทาให้มันลงตัวแล้วเราเนี่ย จะพัฒนาตัวเราเองได้ดีขึ้นอย่าลืมนะนี่ก็เข้าพรรษาแล้วอย่าลืมตาบะบางคนก็ตั้งเรียบร้อยแล้วไปตรวจดูให้ดีนะว่าว่ายังทำดีอยู่ไหมนะหรือว่าล้มไปแล้วตั้งแต่วันแรกแล้วล้มไปแล้วก็รีบรุปขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำอีกทำใหม่อีกทให้มันได้อย่าขี้เกียจบอกแล้ว ต้องขยันแล้วเราถึงจะประสบความสำเร็จเพราะพระพุทธเจ้าท่านยืนยันอยู่แล้วว่าอะไรวิริเยนะทุกขมะเจติแปลเป็นไทยว่าคนเราจะล่วงทุกหรือว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยเอ้ า, นน ไ, าได้เพราะความเพียรนะวันนี้ลงท้ายลงตรงคนเราจะล่วงทุกได้เพราะความเพียร